สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพธิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเปเ ย, ยซูตอนที่สามร้อยยี่หกซึ่งเป็นการเริ่มต้นต่อซีรีส์ของคํมภีร์ิทานของพปเยซูและซีรีส์นี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเปเ ย, ยซูในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณค่าแห่งการเป็นสาวก พระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบหกข้อที่ยี่สิบสี่จนถึงข้อที่ยี่สิบปดมัทธิวบทที่สิบหกข้อที่ยี่สิบสี่จนถึงข้อที่ยี่สิบปดโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าขณะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองแต่รับกางเขนของตนแบกบและตามเรามาเพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอด ผู้ น, นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรหรือผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมาเหตุว่าเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยพระสิริแห่งพระบิดาและพร้อมด้วยทูตสวรรค์ของพระองค์เมื่อนั้น จะประทานบำเหน็ตให้ทุกคนตามการกระทาของตนเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในพวกท่านที่ยืนอยู่ที่นี่มีบางคนที่ยังจะไม่รู้รถความตายจนกว่าจะได้เห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยราชอานาจของพระองค์ท่านพียงรับคุณค่าของการเป็นสาวกให้เราดูนะครับว่าคนที่จะติดตามพระเยซูและเป็นสาวกของพระองค์ได้นั้นต้องมีคุณสมบัติ สามประการนะครับจากพระวจนะพระเจ้าตอนนี้คุณสมบัติแรกก็คือการเอาชนะตัวเองสองคือการรับการเขนของตนแบกและสามคือการติดตามพระเยซูคนสมบัติทั้งสามนี้นะครับผมจะอธิบายให้พี่น้องได้ทราบมีความเข้าใจที่แตกต่างกันหลายอย่างครับแต่ในเช้าวันนี้ ผมอยากให้พี่น้องที่จะตั้งใจฟังว่าความหมายของแต่ละอย่างของคุณสมบัติของสาวกที่พระเยซูต้องการ น, นั้นเป็นอย่างไรบางคนกล่าวว่าการเอาชนะตัวเองก็คือการยอมสละความทะเยอทยานส่วนตัวทุกอย่างเพื่อรับน้ำาระทัยของพระเจ้าคนคนนั้นจะเต็มใจละทิ้งความปรารถนาความมั่งคั่งฝ่ายโลกและวางใจในพระเยซูทุกเรื่อง พี่น้องครับตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทิ้งเงินทองทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่เรามีอยู่ทุกเม็ดทุกสตางและใช้ชีวิตอย่างยากจนค้นแค้นและก็ไม่ได้หมายความว่าห้ามเราหัวเราะหรือชื่นชมยินดีกับสิ่ ง, งต่างๆในชีวิตเลยเพราะฉะนั้นคนยากดีมีจนทั้งหลายก็สามารถเป็นสาวกของพระเยซูได้ หากเขาเต็มใจที่จะมอบให้พระเจ้าควบคุมชีวิตของเขาอย่างสิ้นเชิงและคำว่าเอาชนะตัวเองนั้นก็มีความหมายว่าเอาชนะความต้องการฝ่ายโลกของตัวเองเอาชนะความอยากที่จะมีเงินมีทองเอาชนะความอยากที่จะประสบความสำเร็จได้ชื่อเสียงมาเพื่อตัวเองเอาชนะ ความอยากที่จะได้รับเกียรติยศสง่าราศีเพื่อตัวเองความมั่งคั่งเกียรติยศสง่าราศีและสิ่งต่างที่โฟกัสอยู่ที่ตัวเองนั้นเขาได้เอาชนะไปแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตของเขาก็คือชีวิตที่เต็มใจมอบแห่งพระเจ้าเต็มใจที่จะอยู่เพื่อพระเยซูคนร่ํารวยก็สามารถเป็นสาวกได้ หากเขาเต็มใจที่จะมอบให้พระเจ้าควบคุมการใช้เงินของเขาอย่างสิ้นเชิงคนยากจนไม่มีทรัพสมบัติอะไรเลยก็เป็นสาวกของพระเยซูได้หากเขาเต็มใจที่จะไว้วางใจพระเยซูในทุกๆความต้องการในชีวิตของเขาทุกด้านการเอาชนะตัวเองก็น่าจะหมายถึงการออกไปประกาศสกิลิคุณนะครับ การทําตามน้ามัไทยของพระเจ้าการเป็นสาวกของพระองค์นะครับโดยที่ทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของโลกเสียทิ้งเอาความปรารถนาความต้องการส่วนตัวการเอาชนะตัวเองนั้นอาจจะหมายถึงการสละตำแหน่งสูงสูงในคิสจักรอาจจะเป็นตำแหน่งศิษยพิบาลหรืออาจจะเป็นตำแหน่ง ผู้นำขึ้นจักแล้วออกไปประกาศถ้ากิติคุณหรืออาจจะหมายถึงการลาออกจากงานบริหารไปใช้ความสามารถในการบริหารนั้นในขึ้นจักรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นสาวกของพระเยซูจะต้องกล่าวเหมือนกันครับว่าข้าพระเจ้าจะไม่ทําตามใจชอบของข้าพระองค์หรือข้าพระเจ้าอีกต่อไป แต่จะขอทาตามน้าพระทัยของพระองค์พี่น้องครับนี่คือคุณสมบัติประการแรกครับเอาชนะตัวเองเอาชนะความต้องการฝ่ายโลกฝ่ายเนื้อหนังของเราและมีชีวิตอยู่เพื่อพระเยะซูประการที่สองครับเป็นคุณสมบัติข้อที่สองก็คือรับกางเขนของตนและแบกพูดง่ายงๆก็คือว่าแบกกางเขนของตัวเองกางเขนตรงนี้นะครับ ไม่ใช่หมายความถึงกังเขนที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ยากลําบากแบบมนุษย์เช่นอกหักนะครับหรือโรคภัยไข้เจ็บหรือความผิดหวังแบบมนุษย์หรือความยากจนค้นแค้นแบบมนุษย์เพราะนี่คือมนุษย์ครับแต่กังเขนนั้นเป็นกังเขนของตัวเราเองมีความหมายว่าเป็นการยอมรับความทุกข์ทรมาน เป็นการยอมรับการกดขี่ขมเหงเป็นการยอมรับการถูกเยาะเยะ้ยหรือเสียสละที่เกี่ยวข้องกับการรับใช้พระเยซูนั่นหมายความว่ากังเขนั้นพอเรามองขึ้นไปเราจะเห็นความตายรออยู่ข้างหน้าครับเป็นการตอกตรึงชีวิตของเราชีวิตนั้นคือชีวิตเก่านะครับคล้ายคลึงกับการเอาชนะตัวเองแต่มีความหมายเพิ่มเติมครับก็คือยอมรับความทุกข์ อันเกิดจากการรับใช้พระเยซูพี่น้องครับยอมรับความทุกข์อันเกิดจากการรับใช้พระเยซูรวมทั้งความตายที่เกิดขึ้นที่มีต่อเนื้อหนังชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวของเราก็คือชีวิตเก่านี่ครับเราจะต้องตายเราจะต้องตอกตรึงชีวิตเก่าของเราให้อยู่บนมงเคนอย่าให้มันฟืขึ้นมา ให้มันลดความรุนแรงให้มันหายใจน้อยลงไปเรื่อยๆให้มันเป็นความดันตกลงไปเรื่อยๆพี่น้องครับเพราะว่าเลยครับเพราะว่าตัวเก่าของเราเนื้อหนังของเรานั้นจะต้องตายไปไม่มีคริสเตียนคนใดที่ต้องแบกกังเขนของตัวเองก้าวไปโดยไม่มีพระเยซูอยู่เคียงข้างครับผู้ที่ฟังพระเยซูในวันนั้นก็คือพวกสาวก ล้วนแล้วแต่เข้าใจว่ากังเขนนั่นคืออะไรพี่น้องครับตามกฎของจกักรวรรดิรมอาชญากรที่ถูกนำตัวไปตึงบนแม่เขนจะถูกเกณฑ์ให้แบกกังเขนของตัวเองเพื่อแสดงแก่สาธารณชนว่ายอมจำนนต่อการถูกตึงยอมจำนนยอมรับผิดยอมจำนนต่อการตึงกังเขนซึ่งจักรวรรดิเรียกร้องนะครับยอมรับความผิดยอมรับโทษ ถ้อยคำของพระเยซูนี้เป็นการระบุว่าสาวกก็จะต้องแบกกางเขนของตัวเองเพื่อแสดงว่าตัวเองนั้นยอมจำนนต่อพระเยซูซึ่งพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เรียกร้องให้เราเป็นสาวกพยัญครับสุดท้ายครับในวันนี้ก็คือคุณสมบัติข้อสุดท้ายติดตามพระเยซูอันนี้เป็นส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดครับ ของคุณค่าการเป็นสาวกเพราะว่าเราจะมีประสบการณ์กับพระเยซูครับสาวกเต็มใจที่ติดตามพระเยซูอาจจะไม่มีปัญหาอะไรในเบื้องต้นหรืออาจจะไม่มีปัญหาอะไรในการแ บ, บกกัางเขียนหรือการเอาชนะตัวเองแต่ความตื่นเต้นอยู่ตรงนี้ครับก็คือการติดตามพระเยซูนั้นมีความหมายว่าการเดินไปตามเส้นทางเดียวกันนะครับ ไม่จําเป็นว่าจะต้องตามหลังครับแต่อาจจะเดินเคียงคู่ไปด้วยกันกับพระเยซูพี่น้องครับตื่นเต้นไหมครับเมื่อเรานึกภาพว่าพระเยซูเดินอยู่เคียงข้างเราเราจะไม่มีทางหลงครับและคํามั่นสัญญาทุกคํามั่นสัญญาฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นทุกอย่างของพระเยซูก็พร้อมที่จะให้สาวกนํามาใช้พี่น้องครับอยากให้ในวันนี้นะครับเราจะเข้าใจถึงการติดตามพระเยซู คุณค่าแห่งการเป็นสาวกคุณสมบัติสามประการครับก็คือต้องเอาชนะตัวเองต้องแ บ, บกกางเขนและติดตามพระเยซูอาเมน